ไม่ต่างกันป่ะอ๋อไม่แปลก็อะไรแต่มีถ้ามี่ตักฮัมมี่ก็ไปแปลให้ฟังเอาวระท่านพระบนอะไร <c oughs> ไม่ใช่พระเทพกับข้าบนพระบรมหลวงว่าให้หาความมีออกจาใกใจให้ดี้ไปปฏิพานให้หาความมีออกจาใกใจถ้าไม่มีอะไรอยู่ในหัวใจไปได้ มมีอะไรถามนี่เยอะจ้งค่ะพยายาว่าอาจารย์มาบอกบอกว่าไม่ให้ถวายอาหารก็เวลาถวายอาหารนะคะก็อะไรน่าเป็นรวมร ถวายพอดีช่วยหเจ้าดังอือวิจัดพอดีไหมเพราะว่า พ, พอดีเป็นยังไงพอดีเป็นงไงพระพุทธเจ้าสอนพระที่ถูกธมเนินอาหารเท่าควรสีของข้าวรู้จักว่าคำข่าเขาทอโกมือภาสีอาหารไนเทาควรสี ลุงป่จึงไม่ดีใจด้วยที่มันเยอะๆถึงนี้ลุงปู่เวอเอาตัาไอรมาอ่านนะตระวาจะได้บาถึงวัตาย <c oughs> ไม่ได้ฉันอาหารปฏิบาติแบบตระวาตัวมัพอดีพวางามโดยเฉพาะพระสงฆ์เป็นตะบะเลยไม่ใช่ใคมาถึงวัดนี่อนุโลมที่มาถึงวัดเฉยๆถ้าให้ถูกต้องพระสงฆ์ไเป็นตะบะถ้าเห็นบาปพอ มีอาหารพอฉันแล้วนมนลหลวงปู่กับวัดนั่นถูกต้องด่วยพระสงฆ์ถาเคืไม่ใช่หลวงปู่พวกนี้เอายามาด้วยพวกนี้เอาแข่งมาด้วยหลวงปู่เอารถต้งด้วยงั้นด่วยพระสงฆ์ถาเคืีงเป็นงังนงเหรอถึ ก, ถ <c oughs> ก็บินตาบาดถ่ายแบ น, นี้เป็นข่าวเป็นข่าวกันยุ่งเมืองไทยโยมลายขันตาหารยังจ้าพระสงฆ์ ยืนบินตบาทเนี่ยเดือนหอยบาทงั้น <c> ค <oughs> นู้นผมยืนบินตาบาททีนี้ไม่ต้องเดินหรอกยืนไปยินไปคนมาใส่เต็มบาทเที่ออกในโรกร้านาไปขายทา้งหลังอีกนั่นเห็นไหมล่ะเกือบเด็รกไปพระก้มหลบเลกมันก็เมืออดีโลโคทรมานังปริปันธุควงโลกนั่นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายเห็นบหมจะ เพราะเกลียดศาสนามันอยู่ในหัวใจมันบางหัวใจมันมืดฟอดโลกะคือความมืดครอบงาสัตว์โลกมันบางใจไม่ใช่บางตามันก็เลยไปยิ่ตรงนั้นแหละถ้าเอาคําของพุณเจ้าเป็นยังไงเอาพวาฉันนิ ม, มนต์หลวงปู่ควาฉันประกาวันเลยโยงกับว่าคูณกูไม่ใช่พระบานั่นแหละได้บุญเลยบอกเลยทุกวันนี้มันจะตายเราพระ คือบาก็รนเหลือตาวติจัดเยียทีจัดเยียยใีพระสงฆ์ทำผิดทำยังไงดีพระเถในบาก็ไม่ได้มันก็อร่อยจัดท่วยจัดจานน้อยพระสงฆ์เห็ดผิดทุดงวอไปทลายพระทุองได้บุญเยอนั่นเห็นไ่มหพระเสี้ยทุดงเหอหลวูเจ้าคะถ้าเป็นลักษณะที่อย่างที่หลวงปู่ที่บายนะคะ ไม่ทราบว่าพวกญาติโยมนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นก็คือทำทำทำให้เป็นบาศใช่ไหมคะเป็นบาศกับพระสงฆ์ที่ที่รับอาหารแล้วทีนี้หมายถึงว่าพวกโยมเนี่ยไปทำให้ผิดผิดวินยัยเป็นว่าพวกโยมนี้ต้องต้องเป็นบาศด้วยใช่ไหมคะเป็นบาศเป็นบาศใช่ไหยคะใช่ ที่นี้ถ้าพวกญากติโยมตั้งใจมาทำบุญเนี่ยเขคือตั้งใจอยากจะมาถวายอาหารอยากจะมาทำบุญอยากจะมามาถวายอาหารแด่พระสงฆ์ที่นี้เคยได้รับทราบมาว่าบุญนี้คือความสุขความพอใจที่ได้เกิดทำ<ม>แต่ที่นี้พอพวกโยมมาถวายอาหารเนี่ยแล้วไม่ได้ถวายให้กับพระสงฆ์ ถู้ว่าตั้งใจอยากจะมาถวายกับหลวงปู่แล้ววันนี้แต่อาหารมันเยอะแล้วไม่ได้ถวายผู้ยมรู้สึกไม่สบายใจแล้วไม่มีความสุขใจอันนี้อยากจะขอคาอธิบายจากหลวงนั่นเป็นเรื่องของทางโลกรไปไปติดอยู่รลกิริยสุขนั่นสุขรอกิยินะ ่สายสิ่งสของอเยอะๆกรมจริงพระ ก, ก็รับให้เยอะอยู่แต่รับสันท่านไนมะ่เอาเยอ ะ, ะ, ะอเห็นมหลอกคมาเยอะๆอย่างกูเช่ารกคารับทุกทุกทุกคู่ทุกคนหรือตัดสายบาทโน่นก็ได้ตัดสาบาท้น ะ, นะที่จงพอใจเยอะพอใจเลือกของแอบโยงนะนะแล้วความสบายใจมันมีสบายใจไม่สบายใจถ้าเลือกโลกีจักถ้าโลุตระแล้วไม่ห่วงก็แล้วแต่มอบให้พระสงฆ์แล ก็แต่ท่านจะรับเท่าไหรๆๆ่เท่าไหร่ถ้าไปคิดตรงนี้ไม่ได้ถูกใจไม่มีความถูกใจไม่ได้ถลายอย่างอันอย่างนี้มันเป็นเรื่องของยกจอปอปัอน้นติดฉินินทาน่ะมันได้เข้าทํานองนี้่ะตัวนี้แต่เข้าทํามนองนอย่าให้พระยกจอปอปัอนป้นว่าโยๆๆ่ข อ, อ, อมาเจ๊ดีได้บุญไี่บุญพระนองท่านดีจะมีความเจตนาไปแล้วท่านถ้าผููที่ใจถึงแล้วน่ะ นิ่อยก็ภูใจดีใจนะเพราะเพราะได้ช่วยพระสงรักษาพระศาสนาไปอีกทางนะ่งถจาจแต่ทำแล้วสิ่ของมาเยอะนะถ้าพระทำอนุโลมตามโยมพระก็เสียทำตามโยมเสียพระ่ถึงรับท่านับหรอกท่านตัดตัต้องท่านแต่บาทองท่านใจของท่านพรสงฆ์ก็ให้พอเลย กูใจดีใจแนะาเอารื่องกไปไปถ้านนั่นานเพนก็สั่นใหม่อันถาได้อยากก็ไปนะ <c ười> ได้ตึ่นขึ้นก็ไปพอดีเหนึ่งที่ท c, ได้เจอได้ชเวลาคนเยอะๆใส่นิดหน่อยจะให้ร่นบาตเหลือบาตเพป่นเป็นบารแต่คนไม่ก็ <c ười> กลจายเบาตบางคนเต็มช้อนทัทิมใหญ่สามททีก็มีนะ <c ười> เห็นไหมคนอื่นไม่ได้ใส่แล้ว งบอกพระนะก็พรราเอาอฉันนะถ้าพอถันปิดปากเลยก็ะบอกโงด้วยห้ามโโกรธให้พระพระจะถือตุรงพอถันแล้วท่านจะปิดปากให้โกรธให้พระคนนั่นได้บาปก็ท่านจะถือุ่รงจะงเข้าไปท่านออกไปทาไมเยถาว่าพระไม่สันรวมฉันเหลือเลิศเทเข้าหัความเจ็บนี้หลวงปู่เทปตะก้อนหัวมันไม่ อะไรเยอะแยะเหมือนทุกวันนี้วิญญาบ้านนอบ้านนอกเมืองได้มากประเด็จฟองหมกฝักคือสมทุ่งมืองใช่ไมปิ่ปัเนแห่ๆออกมาแล้วลายหาห่อนไห้หลวงปู่ลานหลวงกระงนอย่าก็เด่นดังประเด็จกระหน่ำมาละใบแกกันพูกเรท่อนน้อยๆคนก็มุดในซดกินคือสมัยทุเมือเลยซ่อนแกกตอนนี้ซับที่ก็ไอ้ไอ้กะกดข่อยกี่แม่ ดิบสัตว์เนี่มน บ, นบาดปากจากว่หมอยจี่จดจีด้ท่านเห็นต่หมดคือคนไทยมีนะหอยจีด๊ดี<ม> <c oughs> เบื่อพหกหอยมันกินแปรปมันแตกออกเราคนไปอะไรแม่นั่นชี้กิค่อยมีนะพ<ม> <c oughs> วกไปจับบูจัดปลานั่นเกิดแผลมเกิดติดกากทีมันแตกออกเราหรือคนทุกต้มเป้งก็ไปกินเรากาต่มหอยจี๊ดจีด มันจะตัดแก่ทำแล้วไปซื้อมาได้หล้วมันปากปาดปนะครับบุญคุมเนี่ยนั่นะตัน้าเขาไม่ได้จ้ำท่านอ่ะมาขามขอเทียวาบแล้วาบอีกอันนั้นภาษาบาลท่าว่าทีโรัเพี่นึ่กินมาขามข้าขอโอ้ยตัวมือข้อมือไปไหนเพราะมือวัดน้องก่อนหน้นี้เทศกาลบุบมาขามโอ้ แกคนละล้าสองลัานคนเป็นพันๆแต่ละปีแต่ละปีมันรวมสมบูรณ์ที่นโลกจเจิญถิ้นธรรมก็เสื่อมหิใจคนก็เสื่อมมาทุกวันถินธรรมีนกามโลกาพนาเห็นไหโลกบัญญัตธรรมะ ก, ก็ไปบัญญัติธรรมะ ก, ก็ไปถึงกับนะโดยเฉพายใ่ต่างประเทศทีน่นี้ไปกอสงสารครูาาบาอาจารย์เป็นทบาทไม่ได้มันหนามันหนา มีคนสบายก็ไปวาก็มาส่งถึวงว้าน <c oughs> ที่ีนผู้เข่งคัดก็นเดเถือไวนะ้คือบินเขางอกประจําไม่ขาดนะมันขาดทื่นลึกนะในการไม่ได้ยินสะบัดตามความสอนของพทธเจ้าบในการปฏิบัติธรรมที่เหลยกมันขวงอยู่ในใจมันนั่งไม่ได้นันมีพระยามาณอยู่ในหัวใจฉันไม่นั่งก็ได้รับกาดูไม่ ยอมไม่จะสึกืบก็ไปแล้วท่านทาอะไรก็ทาำได้ปัจจุบันที่ในการนั่งการนั่งเนี่ยมันพระเจ้าลิขิตรู้เพราะการนั่งเพื่ออยากให้รู้ทุกข์มันเกิดคนใดเห็นทุกข์คนนั่นเห็นธรรมก็แปลดูสิไม่ใช่ด้วยสัญญาณมาทุกข์ถ้าเห็นทุกข์อย่างมันอย่ต้องนั่งให้มันเห็นขึ้นมามันทุกข์ได้มันต้องหายได้มันทุกข์ไม่หยุดมันไม่หายทุกข์แล้วก็นั่งให้มันหายทุกข์ มันไม่หายเจ็บเราก็นั่งไหมนมาหายเ็บมันจะยุชดช่ได้ไม่อได้บอกแเราใครจะเชื่อเราะคำของพระเจ้าก็จะตามรูจ้จำเพราะตนนั่นพระเจ้าสอนอะไรเคยทําในทําตามคําสอนของพระเจ้าพอแม่ครูบาอาจารย์ท่าคำตามคําสอนของพระเจ้าได้ดูได้เห็นในรู้จึงมาถอนคนไม่ใช่เอาตะกาะคําของพระเจ้ามาสอนนะได้ไปทํามาแล้วก็ปากก็ลงเอาเอาตะวันติดปิงมาท อาแต่ม okay. ันจะกินเงื masses, ่อนเสียอย่างที่พี่บอกเลยมาฝนนิพพานคือฝากตายเงื่อนท่องคือฝากปัญญาวิจารว้ติป่าปัญงแต่ปัญญาวิจัยก็นอกประพุทธินักร์ที่ถึงหัวถึงหัวหลวงพ่อสอนเราแกตายปัญญาเิ่ารวัตเข่าวว่าจะตายปัญญาย่อมไหม นั่นละฝากกันเาในไห้อาคนในบากฝากตายบุญถิ่ตายสักนเี้นั่นแตถิ่มตายเรางกินนั่งก็้งกินั่งได้ถึมันติดเจ็บใจกายมันก็เจ็บกเปลียนดิเลริถึงดิไม่าเจริจะไม่มีหัใจดิเห็นว่าน่นบมี่เจ็ใจยังเหี้ยป่ะนะยคนตายไออุปมาเอาไปเลยจะโอบไปเ่จะโอนน้อมกับมหาตัวห้องยงได้คิดถามมึงบอกว่าคนห้องมันเกถือน้หนังน้ำหยง มัเป็นดิดเปดอกก็จะออกแกวัาแต่พระเจ้าเขาบอกว่าไปทองานกอนงานไม่มีจะได้เียนดอนเฉียนกบวาแต่อื้อนจะได้เห็ุงานั้นหาไปถึงตัวนบอกโรกะมีคมมืดครอบม้าศัโรพ่ที่ไม่โอกาสมาเบิงมาตบอกเบิ้งบเบิงสั่บอกเบิ้งร่มที่เบิงไม่ยังไงฉันนั่งพักสงบมพักบฉันนั่งก็ได้แน่ยังวัดังม่นั่งต้องบอกว่าพยายาม อันไม้เก็บรอกแข่งขานจพวกเก็บอะไรอนี่ในเหตุไม่มีใจเจ็บตรงไหนเขาทิ้งหมดแหละไม่เห็นว่ามันเจ็บตู่นเก็บนี่ยังจะย่ำเลยถามตนวเองบ้างไหมพวกเจ็บไม่ได้ว่าผู้ว่าไม่ได้เก็บเป็นยังไงบ้าแต่ก็ออกคนที่ว่าเจ็บเก็บมันไม่เจ็บด้วยแต่มันไปว่าคนที่ว่า แต่ก็ไม่เก็บด้วยนะมันไมว่าที่ไเจ็บเขา้าเจ็บเขา้านะที่ริงเขาไบ่ได้เก็บผัว น, น, นั่นเองุนทีนน่เหลือ่ใจนั่นะคูณจาจึบอกว่ายากที่สามช น, นคนธรรมดาจะทำได้ใ้มาทำในโย่กดข่อดีานีา่ยเราทีบ่อนี่พันหมวกกระสันบุ้งเลยว่าหายย เวันหลายเนาะหลวงปู่ก็เดตุอะไกูว่าท่านได้ก็เป็นข้าวเนข้าวแต่ว่าอี่บิ๊กซิ่งงินดีๆได้เยอะเลยพวไม่ลาบากก็เจ้าก็ส่งเลื่อมากรมีิตรสลอบท่าหน่แล้วพะเจ้าก็ส่งแต่แทบกนบางท่านมรู้คงจะเจ็บมือสันเต็มอยู่ัีแต่ไร มันตะกอบวันพระพระอาารตหมายมาเด้นักข้อภาษาคนโบราณนั่งวนตัวันพระหลวงสันีิกรว่าจานผ้านาย้มทำด้วยแต่สมัยก่อนหลวงพ่อกับทำอยู่จริงันพระพจ้าโทนั่งสมาิภาวนาคนได้เหมือนก็เดินบ้างได้บ้าง แต่ตนเองเคยอดเหมือนกันอดไม่นอนตลอดพรรษาเก้าสิวันยางไกวสลัดไปใได้โตแล้วมไม่ได้บวนแบบเป็ดนั่งยึดขังร่องนะล่องน้ำ น, นะ <S <S เขาขุดล่องน้ำไว้เด็กเจเ็ด ท, ท่าอย่กลมดิเดให้เขาน้ำแทนว่าตัน ท, ท, ท่านยกกลมเด้ เวาคผอาคุณง่วงนั่นเถอตามกูใหม่มีน้ำหรือบ้างกูประกาง่วงแล้วป้องกันนิดไวิธีหาลงไปฝึกฝนลูหาขี้เละค่าไม่กว่าคือค่าที้เละในปืนฐานนาำใหม่มาเตะหล่ะมาดูมีดไปฟันเจ้าของนี่มาดูปืนนี้เจ้าของนี่ยิงที้เละอยู่หัวใจ จับนังมหาอโศกโคบเงานโดยที่วัดผิดคาสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะห้ามเไไ hey, okay, ทยห้ามไม่ไมหาอโศกบเงินไปในวัดพาะเขาขายกันตายานเ็ดเดียวจจังหวัดเลยนะหลังจากนั้นวาเกิดท่านไบวัดนูนกิกังออกมาแล้วก็ยนี่ก็ห้ามนุ่งน้อยห่มน้อยเขาได้วัดแต่เด็กานนี้ดด พุ่นเขียนเขาก็หามกุบัดเนี่ตเมื่อกบนเขาหามพุ่นเนี่ยเขียเขอภาษาบางทีแนแขงเอาพวกพแขงกันเพื่อบรแม่ก็เดนแต่เท่นี่ถ้าพูดเฉลย่านพวกพูดไดเบื้องไหลผู้นั่นได้ร่าง่นดีผมถงได้พ่สดกับเบื้องไหลก็บตรนั่นเห็นไ่มบบตะหามับหไปเหตุผลนันึงเห็นไหาคนทักหัวใจเปนยง เพราะฉะนั awesome, ้นทำชจวพุทเห็นวารีพักันทำารกันตงบอว่าย่ำย่ำได้ย่ำเอเลยยังเทนสองตาสียปัญญาสองใจนะจุถูกุดเทียนเห็นแต่วารีพันพอถึงมา่อวดไหมร้หมจุดถูกจุดเทนเอาไรตัวถึงเมื่อนงเห็นลำบากที่นางล่ะนะดนเนท่านของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงบชเสียเขาภาถามาไปเซียอย่งนโง่เขา ออรายละเอียดก็ไปรูปภายช้ามากคุณเจ้าบริหารถูกเส้นจยุดใส่มีแต่อนุญาตี้หยุดตามพระตาปิฎกตามพระปฏิบบกในป่านี้ตรงเหมนให้ออามาหยุดเทียนนั่งสวนพระติบบอนั่งปรนคำขึ้นตัวพระมาจากใจจากมันจรที่เอาตามปกติสมัยที่เมืองัะศนสวัตรแล้ยังงูเม็ดลอยหนังมีตะเม็ดอยู่กนต้องใสเทียนกันเลย เห็นต้ะไีสามตีสีเตียงขึ้นเตียนไฟเดี๋ยวผู้ก็แจ๊โอ้ยลบากไปมากลาบากเตียงขึ้นเตียงไฟผมเลยคาไฟน่ะเอาดวตะเวียนนี่ก็อไปเห็นหั่เติมอะไรตัวน้ามีตเวียนไหมลากที่เที่ยวของกขึ้นก็ไปด้ยมันเนนน้าสายมันเน้นน้าใด๋อโอยพอไดถึงกับตัวร้ายตะโตกุ้ตีจกคว้ากูคว้ากคว้ามสวดืึกมึงจะเอา้าก็ได้ มัเป็นอย่างนั้นแหละทุกทุกคนปวดก็มาเพื่อมาสวดไปแล้วมาทำหน้าที่ของพระสงฆ์ไแล้วการเป็นหมู่เป็นพวกมันถูกต่ำด้ธรรมะเราไดเป็นไปเพื่อคมุ่นวายนั่นมันมุ่นวายอะไรดิผูนึงเสียน่อยนึ่งเสียไม่ลาขึ้นั่สวดมนต์ปับเสียงเบาเป็นดิบางแหงอ่า <c oughs> ือสวดนันในใจโอ้กระไรกระไร ว่าทุกคนพี่หนาทีก็มากนะตรงมันาทีสวัสดิะใจกัวดใจมหาเป็นมวยเปนพวกนเป็นมว่นพกกับจากการคุกขี่กันอีกแล้วธรรมะเราได้เป็นไปเพความคุกขีด้วยหมู่คณะนั่นไม่ใช่ทำตามสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสาคนสี่คนหนไปคุกขี่กันเนี่ยน้องคนโกโ้มานังท้านัสมาธิเขาก็น่าพระพุทธเจ้าคนนี้ท่านมาสมาธิเาก็น่าเด็ดจัตลูก ้าหกนั่กพานั่งกระตะลุ่ยได้นั่งนั่งสมาธิภานาเป็นหมู่เพคนได้แต่ตะลุ่ยผมก็จะพานั่งแล้วมันบังคับอะไรใจอะ<ม>ตอนเกือนตอนไม่ได้ถ้เเออ า, กก า, าเราจะเตือนก๋วยผวยอยากกินหักงาก๋วยผวยอยากกินยาแสนสิ่คมกับเขาหักหมูอยากกินห้ามแสนสิ่ตีกับเขาเบกนี่คนมันมีจะท่าที่บังคับผมตั้ะใจบอกอย่าดูนี่ดีกว่าที่คิดประมาททานด กูบาดจานังที่กูาดได้ที่ซาวเนเะยึดท้องที่ใต้เหรอเห็นไหมยึด่งกูบาดจาน่ะเอเพลงขไปโดนแเป็นบาดไดน่เพราะฉะนั้นตัไปขันหัวแอ่เจ็ดเจยงเลเป็นบาดก็เถอะเปนไม่ได้ไไปบังคับในเทปึ่พอรู้แล้วท่านไปพึ่งตนเองนั่นแหะตนตนนเตือนตนไม่ได้ใครเล่าเตือนเอาไปคิดให็นดีกันก้ คนเรีนสอนใหม่เกิดโมโหน่ะตังปุ๊บปร๊บทําไม่ใช้ต้อกลัวไหเกิดโมโหเลยเหตุใดเนาะก็เือมเสื่อล้วที่ว่าถึตัวเลยน่ะผ้อเห็นแา้วไหตัวสอนโตเหตุอะไรน่ะคนเรนสอนใหม่เกิดโมโหตัวสอนโตทั้งภาษาแบบนั่นใจง่ายคือเฉลี่ยตีเฉลี่ยพวกวกพวกวก ต้นเตือนต้นเตอนวความเอาตัรเตือนตัวความคู่ั่นลาถือจกันแ